วันนี้เป็นวันมาฆะพากันทาเวียนเทียนเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาคือมีวันสำคัญนีหลายวันแต่โดยเฉพาะเพื่อวันมาฆะได้แก่เดือนสามเห็นมาฆะแต่ว่าเดือนสามนั่นวันหนึ่ง วันนี้สาขาอีกวันหนึ่งเรือนหกเพชรในวันอักสาขาบูชาคือวันพระเจ้าท่านตรัสเทศนาสั่งสอนวันเจวัคคีวันเข้าวันสานันวันหนึ่งวันเข้าวันวันออกวันสายอีกวันหนึ่งเอาเพียงสี่วันเท่านั้นได้ก่อน เรียกว่วันวันสำคัญในพุทธศาสนาครั้งเป็นมาของวันมาฆะพระพุทธเจ้าท่างตรเทศสนาโอว่าเถปาติโมกวันนั้นไม่มีอะไรหรอกโอว่าเถปาติโมมีเ ย, ย่อเพียงสามขอ้อคือว่า ไม่ทำบาปทั้งปวงคือบาปทั้งปวงไม่ทำนั่นอันหนึ่งถึงพร้อมเดมี๋ยวคุณสนจะทำนั่นอันหนึ่งแล้วก็ชันหน้าจิตของตนให้ดีสุดนั่นอย่างนี้มีสามข้อเท่านั้นแหละโมวาทับปาริโมกนี่ ทพระพไอ้วันวิสาขะคือวันไปชุมสันฑิบาตสี่ประกาแประกอบด้วยองค์สี่คือว่าวันนั่นเป็นวันวิสาขะใวันมาฆุนามิวิถีที่ยิบหาคมพระจำเต็มดวง เมื <c oughs> <c oughs> ่อพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในที่นั้นคืออยู่ในกรัรรรมเทศป่ามิว่าสถานที่พระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพิสาร ส, ว น, าาสวนป่าไอสวนพระเจ้าพิสาเรเลี้ยงกระแตมากไหมวะท่านเป็นป่าพุทธเจ้าเสด็จไปในที่นั้นก็อยู่ที่นั้น ใลักษณะอาการสี่ประการนั้นมีลักษณะสี่ประการนั้นคือว่าวันนั้นเป็นวันวันมาพะยุนแล้วก็ในตอนเย็นพระเจ้าพระสงฆ์พันสองอยห้าสิโดยที่มามีมนเลยควอมเพียงกันพึกในขณะเดียวกันเลยในตีเวลาตะวันบ่าย งานอันหนึ่งพระสงฆ์ที่มาพร้อมเพียงกันในที่นั้นล้วนเนยจะเป็นภิกษุอรหันตกทั้งนั้นัานอันหนึ่งเป็นสามแล้วที่พระองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในทำกลางสง์คือแสดงคือในท่ามิสุดที่โวสถด นัแ่สแสดงโออาตะาริโมมีสี่อย่างการไปชุมอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรามีครั้งเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าบางองค์มีสองครั้งก็มีสามครั้งด้วยถ้าเกินสามครั้งที่ไปชุมจันทร์เป็นอศัศจรรย์อย่างยิ่ง ดังที่เล่ามานั่นแหละไม่ได้นัดแนะไปชมกันมาพร้อมเพียงกันเลยมิใช่พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเล่านั้นมีปิญญาไม่ใช่ถ้าไม่ได้กล่าวถึง่อปิญญาต่บรรดาลให้มาพร้อมกันในที่นั้นเลยพร้อมกันเลยนนเวลาตะวันไหวไม่ทราบว่าอยู่ในเดอไหนล่ะ พระเจ้าพระสงฆ์พระยาสงฆ์สาวกตั้งพันสองร้อห้าสิบองค์มันน่าจะจัดไปแล้วไม่น่าจะจัดไปแล้พันสร้อยห้าสิองค์นะั้นไม่ทราบอยู่ไหนตัวไหนเราพร้อมเพียงกันเลยในที่นั้นซึ่งถือว่าเป็นวันสุสนิบาของพระเจ้าพระสงฆ์เป็นวันสําคัญอย่างยิ่ง ตานนี้พขัวเราล่ะมาแล ล, าแ ล, ลึกถึงพระพุทธก็คุณของพุทธเจ้าเราลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเป็นขันธพากันมาทำมาถ้าบูชาแล้วลึกถึงคุณเขาพระองค์ในวันนั้น คล้ายๆกับวันนั้นอนะ่ะวันนี้ก็ดีทุกๆคนมาทาวันวันทำมาค่านะ่ยคล้ายๆกับวันนั้นอนะ่ะเราจงพากานเข้าใจว่าวันนี้ก็เหมือนกับวันนั้นอนะ่ะพระพุทธเจ้าพระสากันาหลายพันสองร้อห้าสิองค์เรืองอาหามทั้งหมดเลย เราจงพากันตั้งใจระลึกคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในเวลานี้เนี่ยหน้าเรื่องใส่ศรัทธาจะเท่าไหร่แล้วจงพากันตั้งใจพิจารณาสามคันคีอพระองค์จะเทศนาสามข้อที่ว่านั้นปพปาปั อากราหนังบาปทั้งปวงไม่กระทำไม่มีเลยในที่นั้นคือพระสงฆ์ไม่มีการทำบาปพระสงฆ์ในที่ประชุมสนิบาไม่มีการทำบาปให้ถืออย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นในขนาดของพวกเรานี่็เหมือนกัน ในขณะพวกเราเนี่ก็ถือว่ามดต่างคนต่างพากาตั้งจิตสงบอบรมสมาธิภาวนาในบาปรัท่นั้นการบาปครั้งนีน้คำว่าบาปอย่างที่นี้ให้เข้าใจแลยจะเข้าใจเพื่อนเผย่าเข้าใจกิกลายไปบาปคือการ คือทำชั่วบาปคือสกปรกของสกปรกเส้นของนักป่าทั้งหลายหน้าเกลียดไม่ได้เรียกบบกราบหน้าเกลียดยังไงสกปรกยังไงการจะทำบาปทั้งปวงมดถ้าหากก็าทำด้วยกายก็ต่างด้วยวาจาด้วยใจก็ตาม เรื่องของหน้าเกลียดแม้แต่มนุษย์สัตว์ทั้งสวงมดก่อนเรื่องของหนาเกลียดอย่างทำด้วยกายประหารฆ่าฟันเบียดเบียนเป็นกันใครจะไม่น่าเกลียดถึงไม่รู้จักว่าบาปก็ช่างถึอใครทุกคนเห็นแล้วไม่ว่ามนุษย์สัตว์ ต้องกลัวทั้งนั้นยางคนจะท่าสัดเองแบกบปืนไปแบกบหอกแบบกดาบไปทาําท่าทีจะฆ่าเขาตางคนก็วิ่งหนีทั้งหมดมันของนาเกียดนากลัวยุงประบาดเป็นของนากลัว เราพูดกันว่าบาปแต่ไม่รู้จักบาปบาปมันเกิดจากบุคคลผู้กระทำผู้กรได้ทำลงไปแล้วทั้งคมชั่วนั้นคนชั่วนั้นคนกลัวทั้งหมดนันเรียกว่าบาปนั้นทำาดยกายทำบาปโดวยวาจา พูดบ อ, อกไปคำใดก็ดีแต่และคําำละคำนั้นพูดเน็ดแนมพูดเอียดหยามพูดหุ่นประมาดูถูกพูดอย่างพูดคําที่พูดเรากป็นขุ่นขวนเนบเนบเนมเนมนั<ๆ>่น<ๆ>แหละบาปเสียดสีละเอียดหยามดูถูก บาปทั้งนั้นทำด้วาจาไม่มีใครชอบสักคนเน่เขาเกลียดตำหนาแดดใครจะรักจะชอบไม่มีหรอกน้ำเสียงทูทุ่มเสียงที่พูดออกไปนะั้นมันหกักจักมันหกัก เ, เ, เ, เ, เจ็บในหรอกพูดไปเจ็บเจ็บเจบเนใยน นั่นเรืองท่านทางหาู้จักบาปในตัวของตนันแล้วเห็นโทษชัดทีเดียวเลนะบาปด้วยใจ่ะนี่ไม่ต้องคู่แต่ไม่ต้องทำนพรานครุปในยู่ในตัวเลยจะทำหน้าตาเฉยๆก็ตามจะทำหน้าเย้ยๆก็ตามไม่ได้แข็งกระด้างในตัว ดูไม่ชอบมันชอบกรอยู่จะแต่งจะทำให้ดีให้ดีแท่กสแสดมันก็ยังมีอยู่นั่นะสัตต่างๆของมอนกันมนุษย์ของมันกันอยู่ใกล้คนที่มีบาปแค่นั้นแล้วร้อนร้อนสุดมารด้ใจเลยด้วยพลรัรงของบาปวะทั้งแดเผาออกมาภายนอก มนนั่นเลเรียกว่าบาปทำด้วยบาปด้วยใจถ้าหากว่าไม่รู้จักบาปภายในอย่างนี้แล้วยากที่จะละบาปได้บาปต้องอยู่ในภายในตัวหัวทุกคนมันงาไม่แสดงออกมาที่เฉยนี่นเราจะควรระวังระมัดระวัง ละวางภายในใจของเราอย่าห้ามันเกิดอิจฉาดิสยาเหมียดเบียนซึ่งกันและกันอั น, นมัน้นบางแกคอยเยือกเย็นยังคอยเป็นสุขสบายอันนี้เรียกว่าบาคานี้บุญแหละแล้วก็กุศล<ม>อีกแล้วกานี้ในที่นี้ท่านบอกว่าคุณะศลสูก็บสัพพทา กุศลถึงพร้อมเดียวกุศลทันว่างนั้นท่าไม่ว่าไม่เรีว่าบุญกุศลนั้นเป็นต้นเหตุกุศโลเป็ว่าญายากขาคือไม่ออกมาจากหญากขายากขาเนะี่ยมันใช้ไปในใต้ดินานานกวัน ใคไปทั่วมดทุกแห่งทุกหนไปได้ทุกสถานที่ท่านเปียกมันจะยาค่ะกุศลมันต้องซอกแซดแ ส, ดสวงหาชิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นสิ่งที่มันมีก็มีขึ้นอันที่จะเป็นประโยชน์แก่ตน อย่างว่าทำบุญทงทานโดยประการต่างๆมันต้องกุศลนี่นก่อนสินม่งั้นก็เกิดบุญแสวงหาสิ่งของวัตถุทาน้นฟวงมดทุกประการสิ่งที่ควรจะทำทานให้มันเกิดทานชอบแสวงหามาได้บางคนนั้นมีมากจนไม่สามารถจะชอบแสวเอามาทำบุญได้ มันไม่มีกุศล น, นอนเฝ้าสมบัติอยู่สมบททัติทับทับมอยู่แม้มันสามารถที่เขาออกมาแทรกออกมาได้รืยทับเนคาขาือยทับยไม่ไม่ไม่งอออกมาสาักที ผู้ที่มีกุศลผู้ที่มีกุศลมันต้องสราบแทงออ ก, ก, กามาทเหมือนกัญช า, าของนี้เดี๋ยววัตถุทานซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราทุกสิ่งทุกประการมีหมดเดียวว่าแต่ของในบ้านในป่าก็มีของวัตถุทานแต่หมดในป่าในตรงนีอดไม่อนไปเดชมาทาบุญธําทาน ไม่ในป่าในงีงยตรงตัดมาธยมธรรมถา่านตัดเชิญทาฟืนหญ้าคาในป่าในีตรงไปเก็บเกี่ยวมามากรองไอ้ทำมากรองทําทเป็นหยักมาทําเป็นตัดเป็นไอ้น่า่ะงูได้อย่างนี้เป็นต้นเขาไม่มีใครมองเห็นทั้งเขาในป่านะ อันนั้นมันชอบแทะถามาคองในบ้านในช่องเราไม่ต้องพูดแลอะมากมายแล้ น, นั้นเนียว่ากุศลเกิดขึ้นกุศลนี่มันชอบแทงหามมาซะก่อนขันหามา่ได้ก็ทําบุญด้วจากค่าบริจาคเฉลี่ยเกิดเกจยบป่าเจ็บป่าเจ็บการเจ็บป่วยอื่นทำบุญ น, นําทานในพในาาานาุทธศาสนาทำทางที่หมู่เพื่อน ถ้ามุนแกมาเพื่อนต้งข้อต้องหาเต็มตื้นอีกขึ้นาในใจนานแเป็นบุญนะคะนี่กูสนหามา่ได้ก็เป็นบุญนะขานิทลงไปแล้วอิม่มอกอิ่มใจพออกพอใจเต็มต้นขึ้นมาใน ใ, นใจอันนั้นแะเป็นบุญบุญต่วัดต่ว่าอิมอ่มอิ่มเต็มเลยจนบอกไม่ถูกไม่ทราบวจะเต็มที่ไหน คนที่เป็นคนที่เป็นผู้สนคนที่มีกูศสนแล้วทางบุญยังรู้จักรู้จักว่าบุญแท็บบอกคนอื่นไม่ได้ไม่มีตนมีตัวไม่เหมือนทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้พะนั้นบอกได้เท่ 100, 000, ทนนทานั้นรอยเท่านิพันต์ี่เหมือนกันแต่มันไม่เต็มไม่เหมือนบุญ หามาเถอะยีร้อยยี่พันขี้เหมือนยี่แสนนะหามาเถอะยีล้ายี่สก้ามาเถอะไม่เต็มสักทีได้มาโน่นได้นี้แล้วไปอยากได้โนู้นได้นู้นแล้วไปอยากได้นูนอีกต่อไปนีเงินมีทองไปอยังได้รถได้ลาได้รถได้ลาแล้อยากได้ที่ดิอยางได้บ้านได้เรือนมันไม่เต็มส่วนบนนี้เต็มตื้นเลย แน่นเต็มที่นั่นเรียกว่าบุญกุศล ส, สูงสัมปทาคนที่มีบุญมีกุศลแล้วสแสวงหาทัพกเงินทองไม่ว่าถูฐานขวงงมดมาทำบุญถานนันเดียกเป็นบุญบุญกับกุศลมันต่างกันอย่างนี้นอกจากนั้นอีก อยู่เฉยๆอย่างพระเจ้าพระสงฆ์อยู่วัดอยู่วัดไม่แสวงหาเลยวัตถุทานไม่แสวงไม่หา า, หาไม่ได้คือว่าวัตถุทานมันต้องหาอันนี้ไม่หาท่านจยากบุญมาจากไหมีบุญท่านหาไม่ได้ต้องแสวงหาเหมือนกันนะแล้วลึกถึงบุญคุณนู้นคุณไเจ้าทปทับพระสง เสีมาอล้ถึงสิ่งที่ทําันตนเต็มตื่นเสมาแลเป็นคนงานคองดีตท่สร้างมาเต็มตื่นเสยมาอีมเอิบเสีมาหลือเป็นบุญขึ้นมาหมดมบนหาได้ง่ายไม่เหมือนไม่เหมือนบาปบาปมันหายากการที่จะทําบาปมันต้องทําให้คนทําคนอื่น เดี๋ยวถ้าสาวิตรักขโมยของเขา อ, ขอนี้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นมันจะกเป็นบาปบุญนี่ก็จองสร้างคือมาพร้อมอในตัวเลยสร้างมาพร้อมในนั้นหมดอย่างอธิบายฟัง น, นะนี่แหละธรรมบุรุษโยสอนที่ว่ า, ก, า, า ก, กับขปประสากัณน์น กูจรแลสู่ก็สัมปทาสาจิตตาวิโยและปันนังเอตังุทาสาสังชำระจิตตรงต้นในผ่องใสสะอาดบริสุทธิธ์อันนั้นเป็นบุญเลเป็นกุศลเลยเป็นบุญเลยกับชหระสาสางจิตตรงตรน้นให้ใสสะอาดบริสุทธิธ์นั้นเหลือบุญไปแล้วนะเหลือบุญไปอีก ในพุทธศาสนานี่ถ้าหนักขนานั้นเขาจะทำะไปได้ทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่นอกเหนือจากละบาปบัมพับบุญแล้วกำลังจิตต้งตนของใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจบบริสุทธิ์หมดเท่านั้นเรามาถึงวันนี้คล้ายตัววันนั้นพระพุทธเจ้าท่าน พระเทศนาทำสามประการนี่แหละในสมัยกระโ น, น้น 2,525 ปี20ปีมาแล้วก็ยังเท่าเก่าอยู่มีรสชาติเท่าเก่าอยู่ไม่แตกต่างไปไหนจงเสะแสวงหากุศลแล้วจงทำให้มันเกิดบุญเปตนองตนอย่างอธิบายมานี้ก็จะ เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างยิ่ง ท, ทบายมนธรรมรทศนาด้วยสการ์วันนี้ปฏิบัติปฏิบัติบูชาคืออามิตบูชาคือรบูชาแล้วดอกไม้เทวกเทียนถ้าทำสาเร็จมาแล้วขานี้ปฏิปฏิบูชา นี่เป็นของมันมีสงมากทีเดียวบูชาด้วยการปฏิบัติคือทำธรรมทิภาวนาแต่ไหนแต่ใดมาปีห น, นึ่งมีคนเดียววันมาฆะมีคนเดียวจงปฏิบัติบูชาคุณเจ้าพระธรรมวสุสงด้วยการปฏิบัติ นอนเพื่อเคยนอนมาลแล้วนักขางนับผมไม่ถ้วนปีนเนี่ยตั้งหลายตั้งสามร้อยกูฟิกวันนอนมาเท่าไหร่แล้วเม็ดเมื่อ่กันเมื่อยมาแล้วลำบากกลัดกรรมกันลำบากมาแล้วทาน้ปฏิบัติบูชา มันเหนื่อยกับมันเหนื่อยแบบเน็บเน็บเกันมันเน็บลงไปมันปวดหลังปวดเดอวมันปวดไปจะเมื่อยหิวสักเท่าไหรก็มันเมื่อยแต่ที่บูชาพุทธจ้าเอ า, เอ า, านั่นแหละเป็นเครื่องบูชาการเจ็บนั่นแหะการปวดนั่นแหะเมื่อยปวดหลังปวดเอวน่ะเอ า, านั่นแหะเป็นเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียนนั่นแหะไม่ต้องหาที่อื่น ต่างไม้ในตัวของเราเลยทูบเทียนในนี่เลยหูทั้งสองตาทั้งสองนี่เป็นทูบเทียนทองทถาวรแก่พุทธประทาประสงค์น้ำตางหมายพูดธประทานประสงแค์เราหมดเลยไม่มีในตัวของเรามันก็หายปวดทั้งนันที <c oughs> หายเมื่อยหายเจ็บปวดแข็งป ข, งขาหายหมด นี่เองว่าเสา ะ, ะแสวงหาด้วยอุบายเรียกว่าหาเอาบุญเอากุศลในที่นี้หาบุญในที่หากุศลในที่นี้กุศลเกิดขึ้นมาแล้วจิตมันก็เต็มตื้นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาอิ่มเอิ บ, อบขึ้นม า, มออนมาเป็นสุขสงบมามีอื่นอะไรทั้งหมดอยู่ในใจนี่เร่ความสุขอันเดียวอิ่มอันเดียว วิธีที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ฝึกฝนอบรมไลยเคยอบรมก็ไม่ก็ไม่คล่องแคล่วหรือว่าไม่เข้าใจซะด้วยจะอธิบายฟังหน่อยเราึกกอกพุ ท, โทุโธปริกรรมพุทโธหรือว่าถนัดอะไรก็เอา าาอาณาปารสติลมหายใจเข้าออกก็เอาแล้วแต่หนัดเถอะหรือจากุทโธก็อนานาอกมาดั้นมารดาสติกลมตายเป็นอารมณ์เก่เาเมื่อคำบริกรรมมันนั้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาไม่คิดไปมาหน้าดังไม่คิดส่งโน้นส่งนี้ จิตแนวแต่คําว่าพุทโธอันเดียวจิตท่ามันแน่วอยูน่นอันเดียวแล้วมันหายหมาเราอื่นอันอื่นไกลนอกส่วนั้นหายหมดนึกอะไรไม่มีเลยคือพุโทโธนั่นคืออเมริกา ม, มันนั่นมันเป็นเครื่องล้อให้จิตมาอยู่นั่นจิตมาฟุ้งซานส่งไปในที่ต่างๆ นึกพุทโธนเดียวนล่วแหละจิตมันอยู่กับพุทโธนเดียวเน่ยมันก็อยู่ในที่นั่นหมดมันไม่ไปอะสิจิตมันอยู่ในพุทโธนเดียวนิ่งแน่วอันเดียวนั่นเหล่ยเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิจิตอันเดียวเรียกเป็นสมาธิจิตจะมีหลายไม่มีหลายดังแล้วอันนี้เท่านันที่ว่าหลายน่ะมันจิตมันเร็ว คิดป่แปลเพาแมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกวไป ฟ, ฟ้าเสอีกฉันหากว่าเรากำนดเอาพุโทโธเดียวเดอนนะมันอยู่ในพุโทโธมันไมฝ่ายจะนีดคิดอยู่ในพุโทโธเดียวรา้วมันวางวด คิดนึกส่งไปได้ต่างถ้าหากยังไม่ทันวางก็เรียกว่ามันมีที่ยึดมันไปไหนกะมันจะส่งไปไหนกะมันคิดเอาพุดโทนอไว้ถึงว่าเป็นเครื่องมือล้อท่าหกลาให้มาอยู่ในที่นั้นจนกระทั่งจับตัวจิตกันได้มันก็ว่างหมดริอะไปจริตคิดนึกตา่างๆอันเดียวแล้วคาะนีจิตไม่มีหลายอย่าง เมื่อจิตมารวมในอันเดียวแล้วนั้นมันยังอีกมันจะรวมอีกทีนึงรวมคร้านี่นะไม่ได้คิดนึกไม่ได้ปรุงไม่แต่งเลยคร้านี้รวมวุ้งลงไปเลยอันรวมทีแรกนั้นให้มันนึกอยู่ในพุโทโธนั้นให้มีอยู่ยในพุโทโธอันเดียวนั้นมันยังคิดปรุงแต่งอยู่คร้านี้ไม่มีปรุงแต่งเลยครมารวมผ่านนี้วุ้เข้าไปเลย รู้จักว่ามันรวมเมื่อไบางทีลืมลืมตัวคล้ายกับหายเงียบไปบางทีในรู้เข้าไปรู้ตัวอยู่แต่ไม่ได้คิดส่งไปมาหน้าหลังเลยทั้งหมดรวมมาไปนิ่งอยู่เฉยอันนั้นให้อยู่มาพักพ ก, กันไปก่อนเรียกว่าจิตรวม จิดรวมนี่น่นให้ได้บ่อยๆให้เป็นบ่อยๆที่หลังทั้งเกียติจิตอันใดที่มันรวมนันทั้งเกียรตได้โอ้จีตมันรวมเรืงนี้เนาะไม่ได้คิดไม่ปุงไม้แต่งเลยมอดมันรวมไปน้อมจิตไปอย่างนี้มันมันจะค่อยรวมอย่างนี้ น, นี่เข้าใจชัดจิตที่รวมนั้นทํามันได้บ่อยๆ อ, อ, อยู่เสมอเสมอ อันเรียกว่าจิตคราวนี้มันรวมเข้าไปเป็นอันมันเข้าไปอยู่ในอันหนึ่งนะมันรวมพวก้ว่าปเป็นใจมันเรียกว่าใจจิตกับใจนั้นต่างกันจิตคือผู้คิดพู้นึกพูดส่งผู้ายผู้ปรุงผู้แต่งเรียกว่าจิตครา น, นั้นหมดปรุงมดแต่งหมดคิดหมดนึกสาพทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะ มันลวมมุ่าเป็นใจ